เกี่ยวกับในเรื่องของถามว่าวันเกิดที่ชาวพุทธคนทำอะไรทีนี้จริงๆจริ ง, รงไม่เฉพาะวันเกิดแต่จริงๆถ้าวันเกิดเจยแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องคิดเดี๋ยว ก, การมีคิดวิทีครบรอบมาถึงวันนี้ที่จริงในชั้นคำสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนเรื่องการให้ให้เจริญมรณสติเนี่ยถ้าในชั้นความไม่ประมาทเลยก็เอาถึงขนาดว่า ลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเหมนเรายังมีชีวิตอยู่มาได้ช่วยลมหายใจเข้าและลมหายใจออกหรือช่วอาหารคําหนึ่งเนี่ยนับว่า ด, ดีแล้วหนอฉะนั้นควรจะกระทํากิจในศาสนาควรจะกระทําความเพียรให้มากเพื่อระดมธรรมะก็คือระดมทานากุศลศีลกุศลและภาวนากุศลนั่นเองถ้าเป็นชาวพุทธตรงนี้ถ้าถามว่าในชั้นวันเกิดได้แล้วเนี่ย ที่บอกว่าเอาควรจะไปจัดงานอย่างข้างนอกกินเหล้าเมายากันสมควรไหมก็ต้องบอกไม่สมควรเลยที่ไม่สมควรก็เพราะอะไรเพราะว่าแท้ที่จริงแล้ววันนี้เป็นวันแห่งการที่ควรจะระลึกถึงผู้มีอุปภ卡尔คุณ <c oughs> ดังกล่าวแล้วผู้มีอุปกภ卡尔คุณสองส่วนส่วนหนึ่งคือพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ว่าไปอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือบุญกุศลที่ทําให้ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ฉะนั้นเมื่อมีชีวิตมาได้เพราะบุญดังกล่าวแล้วนี่มาด้วยศีลห้ามาด้วยกุศลกรรมบทสิบแต่พอมาถึงวันเกิดแต่เราไปทำเตุที่มันตรงกันข้ามเพจ ต, ตรงกันข้ามก็คือมาบางคนก็ฆ่าสัตว์บางคนก็มาลาักทรัพย์มาประพฤติผิดในการมบ้างมาพูดเท็จส่อเสียดคำหยาบแล้วเพ้อเจอ้อมาดื่มสุลามีอะไรซึ่งมันตรงกันข้ามกับบุญที่ทาให้ตนเองได้เกิดเป็นมนุษย์ ทำไมมนุษย์จึงต้องมาประหัดประหารตนเองแบบนั้นเบียดเ บ, บียนตนเองอย่างนั้นถ้ารู้เหตุและรู้ผลว่าเหตุของการเกิดเป็นมนุษย์คือเหตุแห่งการเจริญศีลหและกุศลกรรมบท10ได้อัตภาพในการเกิดเป็นมนุษย์เพราะเรารู้ว่าตัวนี้ต่างหากบุญนี้ต่างหากที่ทําให้ได้อัตภาพเป็นมนุษย์แต่มาถึงวันเกิดเราก็มาทําตนเองให้วิบัติด้วยการผิดศีลหแล้วก็ผิดกุศลกรรมบท10 มาประพฤติตรงกันข้ามเหมือนว่าเราจักรังเกียจการเกิดวันนี้หรือเกินการได้เป็นมนุษย์เนี่ยเราลังเกียจหรือเกินว่าไม่เอาแล้วต่อไปเราไม่อยากเป็นอีกแล้วแล้วขอมาฆ่าสัตว์วันเกิดมาลักทรัพย์มาประพฤติผิดในกามวันเกิดมาพูดเท็จมาพูดส่อเสียดมาพูดคำหยาบมาพูดเพื่อเจอ้อกันวันวันสนุกสนานมาร้องรำทำเพลงพูดเรื่องที่ไม่จริง ทำไมเรามาประทุษล้ายกระแสชีวิตของเราขนาดนั้นทั้งๆที่เหตุการณ์ได้อัตภาพความเป็นมนุษย์มาจากบุญแต่เรามาทำบาปวันเกิดนี้มาพูดเท็จวันเกิดสนุกสนานกันมาพูดให้แตกแยกกันมาพูดคาหยาบในวันเกิดด้วยแล้วก็สิ่งที่สําคัญก็คือพูดตลกเฮฮากันในวันเกิดไร้สาระไม่เป็นไปกับคาสอน LM. แล้วก็มาโลภในวันเกิดมาโกรธในวันเกิด แล้วก็มาลุ่มหลงมัวเมาในวันเกิดอันนี้ก็แปลว่าอะไรแปลว่าต่อไปเราจะไม่เป็นมนุษย์อีกแล้วเราจะไม่บำเพ็ญมนุษ ย, ยธรรมธรรมที่จะทําให้เป็นมนุษย์แล้วเราจากออกจากความเป็นมนุษย์วันเกิดนี่นั้นถึงวันเกิดที่ไรเราก็จะนัดกันทําบาปนับกันประทุษร้ายตัวเองเบียดเบียนตัวเองแล้วก็สร้างค่านิยมในการที่ให้คนอื่นเข้าใจผิดหลงผิด เพื่อทำให้กระแสความเชื่อของมนุษย์เนี่ยเป็นไปด้วยความผิดพลาดว่าการเป็นมนุษย์เนี่ยถึงวันเกิดเราต้องปล่อยฟรีสไตล์ทุกอย่างอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวอยากสนุกสนานเฮฮาอยากสูบสูบยาอยากเล่นการพนันอยากกินเหล้าอยากจะมั่วเรื่องเพศก็ทำกันทำไมมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐเป็นสัตว์ที่ ถูกฝึกมาดีที่เรียกว่าเป็นผู้มีใจสูงผู้มีใจสูงแล้วทําไมเอาพฤติกรรมที่ไม่สูงมาเรียนแบบและมาทําเราไปตามประเพณีของกลุ่มบุคคลที่เขาไม่มีวัฒนธรรมคําสอนที่ชัดเจนซึ่งเขาไม่รู้กระแสของชีวิตว่ากระแสชีวิตที่มาเป็นมนุษย์เป็นต้นเนี่ยมาจากบุญมาจากกุศลมาจากศีลห้ามาจากกุศลกรรมบุ10ิ มาจากการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดเท็จไม่พูดส่อเสียดทำหยาบและพูดชู้มาจากความไม่โลภมาจากความไม่โกรธมาจากปัญญาแต่พอมาถึงวันนี้แต่เราก็มาทําตรงเงินข้ามเขาเรียกเบียดเบียนตนเองไม่พอชักชวนให้คนอื่นมาทําอย่างตนเองก็อีกเบียดเบียนทั้งตนเองและเบียดเบียนทั้งบุคคลอื่นถามบอกว่าถ้าจะบาปตนเองคนเดียวจะทําผิดคนเดียวก็ก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมถ้าคิดว่าตนเองเนี่ยมันน่าเกลียดอยู่แล้วเนี่ย แต่ทำไมไปทำให้คนอื่นเข้าใจผิดตามตนเองด้วยถามว่ามันเป็นบุญตรงไหนแล้วก็รู้อยู่ว่าเหล้าที่กินกันวันเกิดมันเบียดเบียนตัวเองด้วยเสียท ร, รัพย์ก่อาการทะเลาะวิวาสเกิดโรคถูกตีเตียนทอนกำลังปัญญาใช่อันนี้ก็คือเห็นเห็นพระศาสดาพระบรมศาสาศดาก็ตรัสไว้ซึ่งเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดโรค ก, ก็เยอะแยะทั้งโลกก็ พลนาความเสียหายของเขาก็มากมายแม้บุหรี่อย่างเงี้ยนะแล้วก็มาเลี้ยงกันมันเกิดเล่าก็เลี้ยงกันมันเกิดนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้ยอมย่อถามออกมาว่าชาวพุทธควรคิดอย่างไรควรปฏิบัติอย่างไรก็ต้องปฏิบัติให้สมควรกับความเป็นมนุษย์ว่าถึงวันเกิดเนี่ยถึงแม้เราประกอบอาชีพการงานไม่ได้เอาจริงเอาจังในการจเจริญกุศลเลย แต่พอถึงวันเกิดนี่ต้องตั้งมั่นอย่างพิเศษกว่าวันอื่นด้วยว่าเอ้ยไม่ได้แล้วครบรอบวันเกิดแต่ละครั้งเนี่ยมีชีวิตรอดมาอยู่วันนี้ได้เนี่ยรอดจากปากเหยี่ยวปากกาที่เขว่ามาได้นี่ยกระแสชีวิตที่มันไม่หายใจลมหายใจไม่ขาดซะก่อนพอมาถึงวันนี้ต้องระดมความเพียรในการดูที่วาทานกุศลตนเองแค่ไหนศีลกุศลหรือภาวนากุศลนี่ตนเองดาเนินไป ฉะนั้นถ้าเข้าใจและมีวิธีคิดที่ถูกต้องแล้วก็ปรับความคิดของตอนเองให้ถูกแล้วก็ทำสังคมสิ่งแวดล้อมให้เข้าใจให้ถูกแล้วก็กระจายความเห็นเหล่านี้ให้ถูกและให้กว้างขวางออกไปสภาพสังคมไทยก็จะไม่ตกต่าตีบตันทั้งด้านปัญญาแล้วจะได้เข้าใจในวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องและทำแอย่างนี้จะดี